เรือ ง, งกำจะต้องตอบยำจำในใจรักชั่วทาําดีทําใจใหือใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสหวันแล้เข้าสู่ช่วงเทศสดีทหานกาขาดรักได้ทานเรือขาดรักไม่ได้ ลูกรู้จักวัดพระธรรมกายมาปีสามแปดเพราะเพื่อนมาชักชวนลูกไปวัดตอนที่ลูกกาลังจะเดินข้ามถนนท่าดีเมือนไ ม, ไม่ว่างเวรยาการเป็นกายานมิตรเลยเนอะรลรตีเยลารู้สึกว่าเออวัดนี้เหมือนเคยได้ยินนะแล้วก็คุ้นเคยกับวัดมากลูกก็รีบรับปากทันที เพราะกลัวเขาจะเปลี่ยนใจไม่ให้ลูกมาวัดด้วยอะไรจะขนาดนั้นวันแรกจะมาลูกป่วยไม่สบายมากจนหมดแรงถึงขนาดต้องมีคนประคองมาแต่ลูกก็อยากมาวพนนั้นคนไปร่วมงานที่ลานเจดีลูกไปไม่ไหวจึงนอนรอเพื่อนๆอยู่ที่สภาคนเดียว ขณะที่นอนรออยู่นั้นก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ลูกหายจากป่วยไขย้ลูกก็จะได้มาวัดได้อีกและลูกจะรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตืง่นสภาพเหนืออาการที่เป็นอยู่มันหายไปเฉยๆรู้สึกตัวเบาสบายหายจากการป่วยทันทีแปลกแต่จริงปัจจุบันลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพันแท้ค่ะดูดีเอ็มซีทุกวันไม่เคยขาด ไม่อยากพลาดเลยสักคำหนึ่งเพราะแต่ละท้ายคำนำไปสู่ความสว่างยิ่งฟังยิ่งกระจ่างในชีวิตค่ะอื mm hmm. ชมเสร็จแล้วก็ใช้เลยลูกกล่าวกวาม่ตามครูไม่ใหญ่ฝันใ้ฝันในเรื่องลูกดังนี้ค่ะพ่อของลูกเนี่ยเป็นทหารเรือที่ขาดรักไม่ได้เจ้าค่ะ ท่านมีพระยาน้อยมากมีพระยาน้อยมากท่านชอบดื่มเหล้ามามาก็จะพานหาเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำจนกระทั่วันหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะพ่ออยากจะไปอยู่กับเมียน้อยพ่อก็เดย ต, ต, ต, ต, ตีตีตีตีแม่จนเลือดอาบ พ่อกับแม่จึงแยกทางกันอย่างยั่งยืนกรณ์ซึ่งขนาดนั้นพ่ อ, อยุก็รกไรหกสิบปีแล้วเป็นไม้ใกล้ฝังใกล้ฝังอ่าไม้ใกล้ฝังกจะลงอะไรเนะี่ยใกล้ฝังแล้วใกล้ฝังใกล้ฝังอ่าใกล้ฝังพ่ อ, อยุกได้หกสิบปี <c oughs> พ่อกระปวยกระซอกกระแซมาเรื่อยๆ เ, <c oughs> เป็นอะไรนิดอะไรไหนพ่อก็จะกินยาแก้ปวด กินติดต่อกันเป็นเวลานานจนอยากกัดลำไส้ทำให้ลำไส้ทะลขาดกรวหมอได้ทำการผ่าตัดลำไส้แล้วต่อได้สายยาง<อ>ตายไหมไม่ตายอายุมาได้กี่ปีจ๊ะสิบ<ส> ป, ปีเก่งมากแม่นจริงๆเลยเนีเ่ยพ่อเกษียชีวิตด้วยการหยุดหายใจไปเฉย จบเกมชีวิตไปแล้วลแม่งลูกหลังจากเลิกกับพ่อแล้วแม่ก็หันมาัาวั ด, วดเล่นไดื่มเหล้า<อ>แม่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดแต่ถึงอย่างไรแม่ก็มาวัดพระธมกาย อ, อยู่หลายครั้งมาแล้วกับปิติใจก่อนตายแม่ป่วยอยู่สี่ห้าเดือน สองเดือนก่อนเสียชีวิตแม่ไม่ยอมทานข้าวเลยแล้วก็หมดลมเสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนพ่อเหมือนกันเ<อ>รามาอยู่ได้เจ็ดสิบสองปีตัวลูกเองตั้งแต่เด็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อเป็นห่วงห่วงแต่การเจ้าชู้ส่วนแม่ก็ห่วงห่วงในการทำนาห่วงทำมาหากิน เมื่อพ่อห่วงแม่ห่วงลูกจึงได้อยู่กับตายายเป็นส่วนใหญ่ตายายให้ลูกอยู่กับบ้านแล้วก็บอกให้ลูกช่วยทำบ่อปลาลูกเป็นีดกะาได้เรียนหนังสือเลยและตากยายให้เหตุผลว่าถ้าเดินไปโรงเรียนแล้วก็กลัวแปลกดี กลัวหมาจะกัดตายถ้าลงเรือไปโรงเรียนก็กลัวเรือจะล่มไปทางรถก็กลัวรถจะชนให้อยู่บ้านเลี้ยงปลา ด, ดีกว่าเออเหตุผลคุณตาคุณยายนี่เขาท้าว <laughs> <c oughs> แต่ถึงอย่างไรลูกก็อยากเรียนหนังสือมากได้ไปซื้อหนังสือกอไข่มาให้คุณตาสอนอ่านจนอ่านได้หมดลูกอยากจะรู้มากกว่านั้นจึงไปซื้อหนังสือสังทองมาให้ตาสอน แต่ตาก็สอนมั่งไม่สอนมั่งลูกก็พออ่านได้แต่เขียนไม่เป็นเจ้าคะ่ะและไม่รู้เรื่องบวกรลบตัวเลขเลยก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะวิชาภายนอกแม้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวิชาภายในนิ่มไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะวิชานี้จะทำให้เกิดความสุขดีที่หนึ่งเลยพออายุได้ยี่สิบปีลูกกัเด็กแตงงานก็ใช้นมบ้านเดียวกัน มีลูกเดียวกันหกคนสามีของลูกมีอาชีพรับจ้างวิ่งเรือแจวแรกแรกเขาก็ดีเย็นแต่ก่อนรถไฟเรือเม่นีนน่ตั้งรถไฟเรือแจวเลขเกยํำรวจแรกแรกเขาก็ดีแต่พอนานนานมันเข้าเขาก็เอาแต่เจ้าชู้ ไม่รับผิดชอบต่ครอบครัวนะลูกต้องหาเลี้ยงลูกๆทั้งหกคนโ<ม>ดยการรับจ้ายดูแลบ่อเลี้ยงปลาและบ่อกุ้งส่มีขนาดถึงหนึ่งร<อ>้อยไ่โอ้ไม่เรียวบ่อเลี้ยสาแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียกว่าน้องน้ำแล้วหนึ <c oughs> 100่งร้อยไ่โดยตัวลูกดูแลคนเดียว<อ>นี่ไม่ใช่ไปยืนดูเล็งแลไม่ใช่นะ ต้องลอกดินคลนขึ้นมาจากบอ่อหนึ่งรอยไร่ทางหญ้ารับรอบนะั้นให้อาหารปราลาเปลี่ยนน้ำหนึ่งร้อยไร่ค่าจา้างแต่แค่เดือนละ 1,000 กว่าบาท8ปดรอยกว่าบาทร0อยไร่นะนแต่ทำงานอยามาตลอดแม้กระทั่งหลังผ่าตัดคลอดลูกคนที่หรอดเด็กไม่ยอมกลับหัวแผลยังไม่ทันหายดีเลย ในจ้งก็ยังไม่ยอมให้ลูกหยุดพักในแจ้งบอกกับชาวบ้านว่าตายก็เรื่องของมันก็ตายแทนกันไม่ได้ไงก็ต่างคนต่างตายแต่ลูกก็ไม่ตายค่ะก็าบอกตายก็เรื่องของมันก็ถูกเขานะใครจะไปห้ามได้จะตายเนี่ยก็เรื่องเขานะแล้วตายแทนกันไม่ได้กันต่างคนต่างตาย ดาลิ่งฉันจะตายแทนเธอแต่เธอรั ก, กฉันนี่ยอย่าไปเชือ้อที่ฮอกตังเบ ย, ย์เนี่ยตายแทนก็นไม่ได้ตามคนต า, ายชุดที่ลูกพาตดคลอดลูกคนที่หกนั้นสามีลูกถูกเครื่องนวดข้าวตัดขาขาดเป็นหนึ่งข้างพอในจ้งรู้ว่าสามีลูกขาขาด เดี๋ยวขาขาดกับขาดขาไม่เหมือนกันนะขาดขาในวงไพ่ขาดขาเนี่ยเขาใช้กับวงไพ่ขาขาขาดนีนนอกวงที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีผู้แปลเป็นภาษาต่างประเทศเลยชักมื่นมื่นทําให้สับสนพอจะแปลก็ถึงงักเลยเพราะขาขาดกับขาดขาเนี่ยยังไม่รู้จะเอาคําไหนเลย เขาก็ไล่เราออกทั้งครอบครัวเลยภาสามีขาขาด<อ>นาจ้างคนใหม่เห็นว่าลูกจะเป็นคนขยันจึงรับลูกเข้าทำงาน<อ>ซึ่งก็เป็นงานดูแลบอ่อปลาเหมือนที่เคยทำโดยให้เงินเดือนเท่ากับนายจ้างคนแรก<อ>คือแปดร้อยบาท<อ>แต่เขาใช้แรงงานลูกโหดยิ่งกว่านายคนแรกอเห็นว่าเข้มแข็งกว่าเดิมสา<อ> <laughs> มียองลูก<อ>แม้ขาจะขาดจะ<อ> ไม่ขาดรักไม่ขาดสัก <c oughs> เขายัางเจ้าชู้ไม่เลิกคราเลยเ <c oughs> มียน้อยเขาทัทีลูกทราบมีอยู่แค่แปดคนถูกต้องจะโอบ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> เขาก็ไปอยู่กับเมียน้อย <c oughs> จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังอยู่กับเมียน้อย <c oughs> นี่เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> ทำให้ลูกเนี่ย <c oughs> ต้องทนแอบเจ็บอยู่คนเดียว ลูกเคยไปที่ดินอยู่ผืนหนึ่งจํานวนสิบไร่ซื้อมาในราคาแสนกว่าแสนกว่าบาทที่ตั้งซื้อก็เพราะว่าอย่ากสามีไม่ยอมขายให้ใครจะขายกับลูกและสามีเท่านั้นลูกต้องไปยืมเงินเข้ามาซื้อแล้วก็ค่อยๆผ่อนใช้สิบปีต่อมาที่ดินผืนนั้นก็มีราคาสูงขึ้นขายได้ห้าล้านกว่าบาทขายเสร็จลูกจะไปซื้อที่ดินผืนใหม่ไว้จํานวนสองร้อยไร่ ในราคาสามล้านกว่ า, น, านี่ชักรวยกันเลยไหมจากแปดร้อยบาทเนีน่ผ่านมารายะาหนึ่งก็มีคนมาขอซื้อต่อโดยมีนายหน้าทำเรื่องให้แบ่งขายไปหลายรายแต่ละรายซื้อในราคาหลักแสนหลักหมืน่นลูกก็จะลองขายเข้าไปแต่เพราะความไม่รู้หนังสือนี่ไม่รู้เรื่องบวกลบตัวเลขสามีก็พึ่งอะไรไม่ได้ทำให้ลูกถูกนายหน้าโกงไปจนเกือบหมด มันทำท่าจะรวยนั่นนะได้เงินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เงินนั้นก็ถูกยัาติดแล้วเพื่อนๆฝูงยิบยืมไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยได้คืนเลยโอ้อืมรวยแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้มีเหตุหมดไปในโอสะดล่ใจจริงเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มีเหตุเหลือบ้านไม้ราคาหลักล้านอยู่หนึ่งหลังลูกนี่รายหนึ่งที่ยืมเงินลูกไปจานวนหนึ่งแสนบาท ปลูกช่วเงินคืนเขาจึงไปกู้หนี้เอาเงินมาให้ลูกแต่ให้ลูกเป็นคนคำประกันแล้วเขาก็ไม่ใช้หนี้หลายสักบาทสุดท้ายลูกก็อเอาเงินของตัวเองไปใช้หนีห้เขาจนหมดแต่ความซื่อซื่ออบวกกับความไม่รู้หนังสือเมื่อจ่ายหนี้ให้เขาหมดแล้วลูกก็ไม่ได้เก็บหลักฐานกู้เงินคืนซื่อสามปีต่อมา จะนี่รายนั้นก็เอาใบสัญญามาทวงเอาเงินกับลูกบอกว่าลูกไปนี่เขาอยู่ 2, สองแสนกว่า บ, บาทแต่ลูกก็ทําอะไรเข้าไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน mm hmm. เขาจึงสายคนมารือบ้านไม้ uh huh. แราคาหลักล้านที่ลูกไม่อยู่ไปต่อหน้าตาตา uh huh. บ้านก็ไม่เหลือบ้านก็ไม่เหลือเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นแหละเรื่องนี oh ้มีเหตุบ้านที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน uh huh. แต่ราคาหลักล้านนั้นหมดไปแล้วนะ uh huh. ลูกก็ได้เอาไปจำนอง เอาเงินมาช่วยเหลือญาตินี่จิตใจ ย, ยังดีไปใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมนําเงินไปใช้นี่บ้านกำลังจะถูกธนาคารยึดในวิชานี้ตัวลูกเองปัจจุบันยังได้มาอาศัยอยู่กับกะไรมิทท่านหนึ่งในกรุงเทพ อ, อยู่มาได้เกือบสองปีแล้วค่ ะ, <อ>ะนหลองจากโรกสูญเสียสามีให้ไปอยู่กับเมียน้อยโอ้ยไอ้ข้าไปเลี้ยงเถอะคนขาขาดเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วถูบกองแล้ว ลูกยังสูญเสียลูกลูกอีกห้าคนจากจำนวนหกคนปัจจุบันเหลือคนสุดท้อมเพียงคนเดียวโอ้ <5 S 1> ชีวิตก็ <5 S 1> เป็น <5 S 1> อย่างนี้สง <5 S 1> สารใจ <5 S 1> จังเลยนะเ <5 S 1> ห็นใจเข้าใจประวัติของลูกลูกทั้งห้าคนได้เสียชีวิตไปมีย่อๆอย่างนี้ค่ะต้องย่อๆแล้วแหละพอเธอตายไปแล้วลูกสาวคนโตเป็นโรคหัวใจรั่วมาแต่กาหนิด และมาเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวตอนอายุ19ปีะความตายไม่มีนิมิตหมายเลยลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายตอนอายุ3ขวบตอนนั้นจะเผาศพของเธอและมีก้อนเนื้อยอยู่ข้อหนึ่งมีสีเขียวไฟไม่ยอมไหม่ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าเธอถูกคุณใสลูกี่สารแท้งตอนอยู่ในท้องได้3เดือน ลูกชายคนที่สี่อายุสามสิบหนึ่งปีลูกสาวคนที่ห้าอายุสีสิบแปดปีเสียชีวิตพร้อมกันคณะขับมอเตไซค์ซ้อนท้ายกัน <Yeah. S 1> แล้วก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนลูกสาวคนที่ห้าลูกสาวคนที่ห้าเสียชีวิตไปนะั้น oh. เป็นคนสวยมากสวยก็ตาย <Yeah. S 1> ไม่สวยก็ตาย <Yeah. S 1> แต่สวยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัว เพอเธอหนักประมาณ9ก้าสกิโลกรมแต่ถึงขนาด น, นั้นก็มีสปอนเซอร์กองประกวดมาติดต่อให้ไปประกวดนางงามเออซึ่งก็ต้องลงกันเรียบร้อยมาอีกเนื้อเนื้อขนหน้าแต่ถึงวันเข้าประกวดลูกชากันที่หกคนสุดท้องหยุดเพียงคนเดียวลูกชาคนนี้ก็เคยบวชอยู่แปดปีจนได้เป็นรองเจ้า ว, วาด เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งตำบลเพราะขยันทำงานเก่งแล้วก็สวดมนต์เสียงเพราะเขาเคยรับปากลูกจะบดไม่ซึกไม่ซึกเด็ดขาดทำอย่างไรก็ไม่ซึกนี่แต่ต่อมาได้มีญาติมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอให้ซึกได้ผลว่าจะให้ไปช่วยคุมงานที่บริษัทอ้าว ก็บริษัทของเราก็ดีอยู่แล้วไม่พวรศึกเรามีพุทธบริษัทบริษัทนี้ไม่ไหวเลยแล้วเราจะให้มีส่วนแบ่งในงานนั้นพูดไปพูดมาจะลูกชายใช้อ่อนว่างมันอะไรก็จะแอบเหงาอยู่เรื่อยๆในชึกก็ศึกปัจจุบันอายุได้ยี่สก้าปีศึกแล้วนี่อยู่ว่างๆก็ เงาอ่ะเงาอ่ะก็เลยแต่งงานมีครอบครัวเพราะเผลอไปแอ บ, บเงาหนะึ่งลูกเป็นศัตรูกับสัตว์ชนิดหนึ่งคือจะเจอเป็นไม่ได้เลยคือตัวลูกจะเป็นศัตรูกับสัตว์ชนินี้ไม่ใช่สัตวชนิดนี้มาเป็นศัตรูกับลูกนะ อาผู้ปแปลปัภาษา ต, ต่างประเทศตั้ ง, งอย่าสับสนนะเจ้าลูกเป็นศัตรูกับสัตว์ชนิดหนึ่งคืองูเห่าเห็นไม่ได้แล้ววิ่งอ้าวเลยไม่ใช่คนวิ่งนะงูงูเพลนเลยน่าศึกษาอันนี้น่าศึกษาจ้างูเกันหรือเปล่าเจ้าอย่าพึ่ง ง, งูเลยเจ้าเพราะว่ามาแคสซีน่าศึกษามากเลยตอนเด็กๆคุณตาน่ะเคยสอนไว้ว่าทากิงงู แล้วร่างกายจะแข็งแรงสงสัยเป็นครุดมาเกิดสัตว์ปีกกินได้ทั้งนั้นแหละยกเว้นครุดครุดทอดเนี่ยจะกินงูกินได้ยกเว้นพญานาจะมากินอกลัวจังเลยคุณตาสอนว่ากินงูแล้วร่างกายจะแข็งแกรงไม่มีโรคภัยไม่มีความหนาวลูกก็จําได้ตั้งแต่นั้นำมิลนมา ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเห็นงูเห่าที่ไหนแล้วก็เป็นวิ่งเกาใส่เลยไปจับมันฆ่ามันให้ได้แม้มันจะหนีเข้ารูไปแล้วยังเอามือเปล่าล้วงมันออกมาฆ่ากินมันได้อ เ, เอามือเปล่านี่แหละเจ้าล้วงก็ไปในรู ง, งูแล้วก็ไปคว้า ง, งูเห่าล่ามันออกมาเนี่ยนี่เอากินจะได้สงสัยจะเป็นครุูมาเกิดเนี่ย วิธีฆ่าวิธีฆ่างูตัดหัวเสียประจานตัดหัวงูแล้วยังเสียประจานด้วยนี่ส่วนตัวมันก็นำมันลอกหนังตากแดดแล้วมาทำอาหารอืมตัดหัวเสียประจานเลยมันเป็นธรรมดานะนี่ไอผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ิง เออผู้หญิงจริงเลยชื่อเย็นใจโอ้งูเหา่าปกติเราจะต้องหนีงูเห่านี่นี่งูเห่านี้วันหนึง่งลูกได้เจอกับงูเห่าตัวใหญ่ประมาณข้อมือดวงตาของมันเป็นสีน้ำข้าว คงเท่าแหละลูกตีมันแล้วจับมันใส่ถุงพลาสติกถึงบ้านก็ตัดหัวเสียประจานตลกหนังตากแดดแล้วก็นำมาทำอาหาร <c oughs> คราวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่น<ม>พอกินกันไปสักพักหนึ่งอาเจียนตัวร้อนพืนขึ้น น้ำในร่างกายออกมาเป็นเลือดอืมชิ้งช่องเป็นเลือดไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าเป็นงูเจ้าที่ให้ลูกเนี่ยไปขอเขามาซะเอามากินก็ไปแล้วจะไปขอก็มาที่ไหนนดังนั้นเวลาทำบุญทีไรในลูกก็จะกรวดนะอุทิศส่วนกุศลให้งูที่เคยฆ่าไว้พอเริ่มมาเข้าใจตังขวัดพระธรรมกายเนี่ยรู้งี้ไม่กินงูถึก็ดีด้ว แต่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็เลยเลิกข้ามัน <Okay. S 2> และเลิกกินงูเห่ายังเด็ขาด mm hmm. แต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตที่ผ่านมาลูกเคยโดนถูกงูเห่ากัดอยู่ครั้งเดียวเพราะนั้นลูกยืนหวดย่าอยู่ในน้ำ <Yeah. S 2> จู่ๆงูเห่ามันก็พุ่งเข้ามากัดที่ขา mm hmm. เห็นแผลเป็นรอยคล้ายผิวมะกูด mm hmm. ตายไหมไม่ตายเกือบตาย ธรรมลูกเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีที่รักษาทันยังไม่จบยังมีเรื่องแปลกอีกมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกคือครั้งหนึ่งนี่ลูกไงไหมจ๊ะขึงนั่ ง, งครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ลูกได้พายเรืออีปแป้น มันเป็นยังไงนะี่เลยอีแปนเครู้จักมึงจ้ะมันมีเรืออีแปะเรืออีแปนเล็ดเไม่ออกใครรู้จักม้างจะ้ะเรืออีแ ป, ลออปนลำใหญ่ไปทำธุระตอนนั้นฝนตกแรงฟ้าปลิ้งปรีง้งลูกอะไรต้องหยุดเรือหลบฝนอยู่ใต้สะพานถ้าในนั้นฟ้าได้่าปเปรี่ยงเราม า, บ น, า, านบนสะพานบนสะพาน ขนาดหลบแล้วลูกจึงหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีนะสิลูกก็เห็นเห็นทองคำก้อนใหญ่ประมาณสองฝ่ามือเหลืองอารามจำนวนมากวิ่งอยูบบ่บนผิวน้ำวนรอบเรือของลูกอย่างนี้นก็ไ่ายผ่านนะลูกเคยได้ยินปู่ย่าตายายสอนไว้ว่า ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะมีทองคำมาด้วยถ้าอยากได้ก็ให้เอาเอามือปช้อนเอาผ้าอะไรไปหอ่อผ้าถุงที่เรานุ่งอยู่นั่นแหละคลอบเอาแล้วจะได้คลอบทองคำเลยลูกนึกถึงตรงนี้ได้ลูกเลยไม่ตกใจ ไม่สกใจสิเพราะพวกเห็นก็ทองคำมาแต่ก็ไม่มีความอยากจะได้หมดความโลภโลกอะไรนั่งมองเฉยๆออคนอย่างนี้ก็มีนะจนทองคำเหล่านั้นค่อยๆจมหายไปจนหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสามสิบนาทีออให้ดูกันจนจุใจให้หายสงสัยกันเลยเออเอาละสินี่แปลกนะชีวิตถึงเธอนะ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยพอจะรวยก็จนอีกพอมีทองคำอ้าวนั่งดูเฉยๆหมดอารมณ์อยากได้ครับเออมิตรภาเอามได้อย่างงี้นะอคำถามพ่อกับแม่ลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบนเทวติตไปให้หรือไม่เห็นใดลูกจะมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กมไม่ยอมไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่ยังไง และต้องทำงานหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดการใดทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือที่ลูกอ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดคะอ่านได้เขียนไม่ได้เรัจ้ะการใ ด, ำดทำให้ลูกไม่รู้เรื่องการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารเลยบนใดทำให้ลูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่กรรมใดถูกโกงไปจนหมด ทั้งบ้านทั้งที่ดินและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลย oh. ไม่เป็นไรล่ะเรายังมีชีวิตยอยู่ยังมีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ไม่มีปัญหาลูกถูกนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้าง oh. แต่สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลย oh. เป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะ่ะที่ทำให้ลูกจะมาเจอเรื่องไร้ลายอย่างนี้ ลูกคนที่หนึ่งมีกรรมใดยังไม่โลคาหัวใจรั่วมานจะกำเนิดตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่เอที่ไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่สองต้องมาตกน้ำตายก้อนเนื้อสีเขียวที่เผาไม่ไหมคืออะไรคะเขาถูกคุณสายจริงหรือไม่คะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่เอที่ไปให้หรือไม่คะบุญใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้ามีหน้าตาสวย แต่น้ำหนักสูงรูปร่างอ้วนน้ำหนักมากถึงเก้าสิบกิโลกรัมกรรมใดทำให้ลูกสาวคนที่ห้าและลูกชายคนที่สี่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้ลูกชายคนที่6คนจุดท้อนต้องถูกหลอกให้ศึกทันทีที่เขาสัญญากับลูกจะบวชไม่ศึกเหตุใดเขาจึงไม่ได้บวชตลอดชีวิตคะ ก็เพราเขาสึกกันแหลแม่ถามได้ลูกไปกําได้กับงูเห่ามาก่อนหรือไหมคะทาไมลูกจึงเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าแล้วทาไมสามารถจับงูเห่าได้อย่างสบายๆโดยมือเปล่าการกินงูจะทําให้ร่างกายอบอุ่นไม่เป็นคนขี้หนาวจริงหรือไม่คะเอางั้นเราต้องไปซื้อเสื้อหนาวตัว้อยี่กินงในงูอย่างเดียวเพราะลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคะ่ะ คือลูกเป็นคนขี้ร้อนมากๆเลยเ อ, อเอาล่ะสิงูเห่าตาสีน้ำค้าที่ลูกกินแล้วฉี่ไปเลือดเป็นเพราะเหตุใดคะเป็นงูเจ้าที่จริงหรือไม่ที่ลูกถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดคะออน่าศึกษาเนี่ยจริงหรือเปล่าคะที่ปู่ย่าตายายลูกเคยบอกว่าถ้าฟ้าผ่าจะมีท้องคาเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆและทองคาที่ลูกเห็นลอยอยู่บนผิวน้นนั้น ใช่ทองจริงๆหรือไม่คะหรือว่าลูกตาฝาดไปเอาแล้วทำไมลูกจึงรู้สึกเฉยเฉยไม่มีใจอยากได้ทองคํานั้นเลยกรรมิที่ลูกมาสายอยู่ด้วยรเราเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรคะฝากถามเนี่ยไม่เกี่ยวขอเอียวด้วยเราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ เมื่อพุทธนอนที่ผ่านมาเราทั้งสองได้เป็นปะอะไรกับหมู่คณะคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไมั้ยจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตตะเตินขึ้นมาาทีแล้วก็นำมาเล่าใ้ฟังเป็นญญายภิธรรมประรากันจะ๊ะพอ่อ ตายแล้วก็ไปเลยทันทีจ้ะไปมหาราขุมห้าเลยการดื่มสุรากำลังถูกนายเนยริยบายกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะและต้องไปอีกหลายขุมอ่ะเพราะผิดศีลทุกข้อไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะโโแม่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานราขุมห พ่อกลุ่มใจก็ดื่มสุราแต่เบาบางกว่าพ่ อ, อกําลังโดยเจ้าหน้าที่กรอกน้านําทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากาได้รับบุญที่เที่ยวที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยนต์พันโทษลงมาจ่าคือการขบบางระมาณส่วนบุญที่เทียวที่ไปให้พ่อก็ไปรออยู่ที่เยมมบอรมนีเรพอพ้นมหาเนรกมาแล้วจึงจะได้รับจ่าโลกลําบากมาตั้งแต่เด็ก ต่างหาเลี้ยงข้าวครัวมาตลอดเพราะกานตรันนีสูกจ้องจากแน่ดีมาส่งผลแล้วก็ไม่เคยได้ทําทานแต่โลกไปได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือได้แต่เขียนไม่ได้อีกทั้งบวกลบคูณหารไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้ทําบุญด้า น, นปัญญามไม่ได้มีบุญด้านปัญญาบารมีสนับสนุนการศึกษานี่เราเปิดโอกาสให้ทําบุญปัญญาบารมีกันแล้วนะจ๊ะ ไม่สนับสนุนและห้ามลูกหลานหรือบริวารเราเรียนแต่ก็สนับสนุนบ้างกับลูกหลานหรือบริวารที่ถูกใจแต่ว่าน้อยมากจึงพออ่านหนังสือได้บ้างแต่เขียนและคำนวณไม่ได้จ้ะคือ ย, ยังพอมีบุญบ้าง น, นิดหน่อยแหมเรื่องอ่านหนังสือได้ไม่ได้นี่เกี่ยวกับบุญด้วยเนะ่ะเออเน่ยเปเรื่องหนักศึกษาทีเดียว รูกได้ที่ดินมาในราคาถูกและขายได้ในราคาสูงแต่ถูกโกงไปจนหมดทั้งบ้านและที่ดินตลอดจนทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมดตัวพระได้ดีเคยทำบุญเอาไว้แต่พอโกรธแล้วก็ไปทวงคืน เ, ออรเรื่องมิยฉาว่าเจ้านั่นลูกเป็นคนมีฐานะดีปานกลางและได้รับปากทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเอาไว้พอทำไปบางส่วนแล้ว ก็เกิดทะเละไม่พอใจกับพวกมรรคทายกจึงได้ไปทวงคืนแล้วเขาก็ตั้งคืนให้ดังนั้นบุญส่งผลยังมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแต่ผลจากการทวงคืนในจิตที่โกรธรุนแรงแถมนินทาว่าร้ายกรรมการด้ว ย, ย <c oughs> ที่ได้สมบัติที่มีอยู่วิบัติไปด้วยเหตุต่างๆจ้ะเออมีบุญแต่ไม่มีวาสนา มีบุญที่มีทรัพย์เกิดขึ้นแต่ไม่มีวาสนาได้ใช้ทรัพย์บละรัพย์วิบัติไปในเรื่องนี้ต้องศึกษานะาจารย์เหมือนกันเดี๋ยวพระธรไม่ถูกหลักกติกาของชีวิตแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าทํามว้ผิดกฎหมายไห ม, มก็ไม่ได้ผิดนะแต่มาไปผิดกฎแห่งกรรมเห็นไหมคติกาของชีวิตโลกชนินทาใส่ร้ายจากคนรอบข้างทั้งๆที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะในชาตินั้นได้กระโดดเขด้กรรมการของวัด แล้วก็ม น, นีนธาใส่ร้ายทั้งทั้งที่เรื่องเหล่นั้นก็แบบเป็นความจริง<า>ว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง<อ>หรือกรรมการข้อหนึ่งวัดหรือนิดนึ่งอะไรนี่อิบากรรมนี่มาส่งผลใช่ลูกคนที่หนึ่งเป็นโรคหัวใจลูกแต่ ก, กําเนิดจนเสียชีวิตเพรา ะ, ะเราเรียนมาหลายหลายเ ค, ลยเคอละปฏิบาติถูกต้องจช่และธรรมาสัตย์อีกทั้งมีกรรมการเมเจอชุดอดีตหลายคราโมดวงส่ผลใช่ กำจะชู้ไปพูดกับเขาช้ำ อ, อกช้ำใจอะไรอย่างนนนี่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จช่ลูกสาวคนที่สองตกน้ำตายเพราะเคยโยนแมวถูกต้องใจกเก่งจังเลยกำในดีได้ยนลูกแมวลงนเ้เขาเล่นกับมันแต่มันขวรเนาะด้วยความโมโหก็เลยจับมันโยนลงไปในน้ำ จนมันตายเนีนี่วิบากคำนี้ระส่งผลจ้ะแต่ล้ก็เล่นๆกันนะแต่มันเจ็บครเล่นมันแรงๆเนี่ยมันเจ็บมันก็ขวนเนาะกขวรก็โกรธโกรธกระจับโยนทิ้งน้ำก็เนื้อสีเขียวเขียวที่เผาไม่ไหม้คือการเผาที่ไม่สมบูรณา น, นั้นเองจ้ะจะไม่ได้โดนคุณใสจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วม่อาจจะรับบุญได้จ้ะ ลูกสาวคนที่ห้าที่หน้าตาสวยแต่ อ, อ้วนมีน้ําหนักเก้าสิบกิโลกรัมเพราะอวิจัยวัจจีกรรมถูกต้องจ้ะกํามน่ดีมีวัจีกรรมได้ไปล้อเล่นเพื่อนที่อ้วนจนเขาอับอายอีกทั้งปัจจุบันกินเยอะที่หน้าตาสวยเพราะทําบุญแล้วอธิษฐานไว้หน้าตาสวยจ้ะบุญส่วนบุญเห็นไหมจะ้ะบาปส่วนบาป ลงแต่งกันเกิดขึ้นเป็นกายมนุษย์ขันห้านี้ขึ้นมาลูกสาวคนที่หและลูกชาวคนที่สี่ต่างมาประสบอุบติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันเพราะแนอดีได้เป็นญาติฉันได้ช่วยกันฆ่าสัตว์ใหญ่ mm hmm. เช่นหมูวัวควายมาเป็นอาหาร <Yeah. S 1> อยู่เป็นประจำมาส่งผลจ้า mm hmm. ตายแล้วทั้งคู่ก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างในช่วงแรกแต่ภาหลังได้รับบุญที่ไปให้ก็กดีขึ้นจะ ก, ก็ยังร่อนเล่วนเวียนอยู่ไอ้ธรรมบุญทิ่ไปให้อี ก, กเรื่อยๆก็จะได้หมดกรรมไปเกิดใหม่จ้า ลูกชายคนที่หถูกหลอกให้ลาสิกขาจากพระมาเป็นเรื่องหัดทางด้นนี่เขาสัญญากับตัวลูกว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบวชตลอดชีวิตได้เพราะเพราะมีมบุญบวชเพียงแค่นี้ผังบวชตลอดชีวิตยังไม่มีกับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแต่เต็มใจให้หลอกถูกต้องใจเพราะลึกๆในใจก็อยากจะออกไปครองเลยอยู่แล้วแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ไม่ได้จังหวะก็หาเหตุ เป็นใจไปอย่างมีเหตุผลที่สวยงามจ้ะอบอกเพราะเขามาชวนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากไปลูกเห็นงูเห่าแล้วอยากฆ่าข้อนีอ้สําคัญสำคัญนะแล้วสามารถจับงูเห่าได้โดยมือเปล่าอย่างสบายๆเพราะในอดีตเคยเกิดเป็นพังพรกับเคยเป็นหมองูติดต่อกันมาหลายชาติ<อ>จึงไม่กลัวงูและก็มีความสามารถในการจับงูแล้วก็รู้สึก อย่างนั้นคือเห็นงูจะต้องจับต้งองเอามาฆ่าเอามากินนี่เออนี่พังพรมาเกิดเป็นคนคนที่เป็นอดีตพังพ ร, รแต่ไม่จช่ชีวิตในสังสารวัตรนี่นี่มันเป็นอย่างนี้เใช่ไหมเจ๊แต่ถ้าําเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอยู่ในยูนิฟอร์มใหม่ได้รูปร่างใหม่มารองรับรูปร่างแต่พรอเหมาะกับวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้เห็นไหมนี่นี่นี่และอะไรจะไม่เกิดเป็นพังพร ต้องติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวมันไม่จบอะการกินงูเห่าจะทำให้ร่างกายอบูนสบายไม่หนาวนั้นก็มีส่วนถูกมันก็ถูกน้อยเพราะมันเป็นเนื้อที่กินแล้วจะรู้สึกร้อนเรื่ังความอ้วนของลูกไปหลักด้วยจึงทำให้ลูกเป็นของขี้ร้อนจ้ะพลังงานเยอะ งูห่าตาสีน้ำข้าวที่ถูลูกกินละฉีไปเลือดเพราะเพราะงูมันแก่แล้วท<ม>ิตาตาสีน้ำข้าวเลยจ้ะไม่ใช่เป็นงูเจ้าที่ดวงตาจะมีสีน้ำข้าวแต่กินละวฉีไปเลือดเพราะสัตว์พวกนี้ก็มีพิษอยู่ในตัวมันกินบ่อยๆข้าก็ทําให้ท่าในตัววิปริดได้ไปเจอเส้นพิษมันมที่ลูกถูกงูห่ากัดแต่ไม่เสียชีวิตเพราะชาติเป็นหมอ ง, งู ได้ช่วยช้องพิษงูให้คนที่ถูกงูพิษกัดรอดตายมาหลายลายทำให้บุญนี้มาส่งผลช่วยชีวิตเอาไว้เจ้ะ oh. เอามาอีกเรื่องแปลกอีกปูย่าตายายเคยบอกว่าเมื่อฟ้าผ่าจะมีทองคำเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆนั้นก็เป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเข้าใจผิด <Yeah. S 2> จนเป็นตำนาน <laughs> ทองคำที่ลูกเห็นลอยอยู่บริเวณผิวน้นนั้นเพราะตาพลา กาแฟมันแผลบมาขนาดนั้ น, น, นตาฟาดจากแรงของฟ้าที่ผ่าลงมา oh. สิ่งทําให้เห็นปเป็นเช่นนั้นจเจหิรูปเป็นใจอยากได้ oh. Oh. <laughs> ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ไม่เสียเวลาค oh. <laughs> ว้าน้ําเหลว <laughs> อ่า <laughs> นึก็เป็นนองคํา <laughs> เห็นไหมเจะ <laughs> นี่คําว่าคว้าน้ําเหลวก็เพราะนี่ไปเจอทองนึ <laughs> ฟ้า เห็นเป็นทองคําถ้าขว้าตรงนั้นก็เจอแต่น้ําเหลวๆไม่ได้เจอทองคำเขาเรียกว่าขว้าน้ําเหลวเออไะนั่งพู้แปลภาษาต่างประเทศแปลให้ดีนะ <c oughs> ขว้าน้ําเหลวเพราะมันมีแต่น้นํจาจ่าถูกต้องแล้วไปคว้านั่นดีไม่ดีตกตน้ำ ต, ตกน้ำตายจ่าถูกต้องจา่า ไอ้ทำไมเก่งอย่างเลยเนี่ยไอ้ลูกใครวะลูกพระธรรมครับการวิที่ลูกมาสายยูโดก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเกื้อกูลกันแต่ลูกพระลูกจากโมกนามาหลายพันนอนแล้วหมอโมจะไปเป็นหมองูนี่แหละในความประมาทในการดำเนินชีวิตแต่บุญเก่าที่เคยทําด้วยกันกระดึงดูดให้กลับเข้ามาสร้างบุญร่วมกันใหม่แบบกองเสบียงประเภทสับหักสับอมแล้วมาจ้ะส่วนการวีท่านจะเป็นกองเสบียงของโมคณะมา แต่ไม่ได้พลัดกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วทิฐานจิตตามสิบิดุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์่าได้พลัดกันเลยจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้